แล้วมีอะไรอีกไหมล่ะพ้าเราที่มีเรื่องอะไรหมดไหมจะพระวัดต่างๆนี่ที่มาอยู่นี่เต็มนี่วัดไหนเองก็มีวัดไหนดี่มัพอกลับไปแล้วก็ไปเข้าบภรษาตนเด้งตนเด้งทางนี้ก็เข้ารรษาที่นี่ฝากันรเร่งนาคอมเพียนเอาให้หนักนะอย่าให้ว่างสติขับกิตอย่าให้ว่างจากกันเอาให้จริงให้จังเรื่องจิตเสื่อมผมก็เล่าให้ฟังแล้ว นั่นล่ะมันน่าเข็ดไหมล่ะควรจะเข็ดทุกคนพอได้ปรากฏขึ้นมาแล้วให้บำรุงรักษาให้ดีให้ดีดยาเผลอตัวนะผมนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันไม่รู้จักวิธีรักษาอืมแไปเผลอตัวทํากดหลังหนึ่งตอนนั้นเลยนะยังไม่เสร็จภาวนาเข้าได้บ้างมาได้บ้างอ้าวตายเป็นยังไงอย่างนี้รีบร้อยกดปุ๊ปับปุ๊บปับเสร็จแล้วออกเลยมันหมด เสื่อมจนหมดตัวโอ้ยเป็นทุกข์มากนะจิตเสื่อมเนี่ยอยู่ที่ไหนหาความสบายไม่ได้ผมไม่เป็นมาแล้วเพราะงั้นผมจึงเคดถึงขนาดนั้นหาว่าจิตเราเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันก็เข้าแบบพระโคดที่กัดคือจะทนต่อไปอยู่ได้แล้วเพราะงั้นถ้าเรายังมีชีวิตอยู่จิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้เพราะมันจึงมัดกันตลอดเวลาเลยเพราะความเคล็ดลาบอิ่มพอนั่นแหละเคสมากที่สุดเลยมันจึงไม่ได้ ไม่ได้เสื่อมอีกแล้วฟาดกันเลยพระโพธิกัรท่านเสื่อมเพียง 6, หกห้านหนนที่หกท่านท่านเอามีมาเฉือนคอตัวเงไอ้เรานี่เมื่อมันโทรมปไหน ม, <c oughs> มันจะเป็นได้นะนี่ัยใจอันนี้นะมันจะเป็นได้เพราะอย่างถึงสักกดกันเลยว่า ถ้าถ้าเรายังไม่ตายจิตเราจะเสื่อมไปไม่ได้นะคือมัดกันตลอดเวลาเลยเนมะันก็เห็นนี้มันจึงไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมตั้งนั้นมาไม่เสื่อมก็เรารู้จักวิธีรักษาเผลอตัวแล้วมันเสื่อมแล้วจึงเป็นครูอย่างเอกใช่ไนหะมฮึฮู้ทุกข์มากจริงนะจิ่เสื่อมอยู่ไหนหาความสบายไม่ได้มันอะไรอยู่ในโหัวอกนะเป็นทุกทุกสมเหมือนไฟไหม กองแตรมันแหละสุมอยู่นี่เลยคจอพบทุกอย่างรเราก็ดี่ะใค้มาพูดอะไบางอย่างพัเงินก็ให้หฟังก็คือความผิดความพลาดของเราเนี้ยทำให้จิตมันเสือเส่อมไปเสื่อมไปหรือพยายามปรับตัวอีกมันซึงได้เจอเลยมาเอากันยังปักกันเลย ปากได้อย่างว่าทางเป่งก็ซักเลยไม่ให้เผลอเนี่ยได้ไงอย่างงี้นไม่เผลอจริงนะโอ้ทุกมากนะาาการบังคับติดนี้ทุกมากที่สุบบังคับอีกด้วยสักสิ่เนี่ยคุกมากคือกุบย่อคุไม่ย่อไม่เผลอคือทั้งวันไม่ย่อให้เผลอมันจะทุกมากผมกมากกันไงพิจาวสิไม่ปล่อยตัว่ยฟ้าจะต้อง เป็นก็เป็นตายก็ตายอาประกันกันเลยก็ไม่เฝื่อก็ไม่ฝื่อกจริงนะงั้นอะไรเราไปก็บางคนเราไปอะนีเวียเวามันเทียงมันหนักหักอย่างนี้เอาจอช่างถึงที่แล้วฟาสมบูรณ์ผลได้โดยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่เหลือจะมีความสุขเรื่องก่อจิตที่หมดเรื่องแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่ต้องรักษาอะไรๆไม่มี ผู้ตรงกองอย่างนี้เนี่ะไม่มีรักษาเพราะจริงเนมันก็มันพอทุกอย่างทจะรักษาอะไรฮะเนี่ยเวลามันไม่พอมันคว้างังนควางเนี่ยไฟเผาตัวเองต้องตีเรื่อยเรื่อยพอถึงขั้ที่ว่ามันพอพออย่างนั้นะพอตลอดไปด้วยไงไม่ใช่ฟอทำนาคือแบบบางคับบางชารักษาตัวอย่างนั้นแล้วพูดจร่งไม่มี ก็พูดแบบโรคอะไรอางเ้วไปแบบอิสร ะ, ะอยู่แบบอิสร ะ, ะอยู่เดินนั่ง น, นอนแบบอิสะะอระอือเป็นเหมือนฉันไม่มีเจ้าของไม่มีไม่มีใครมาเป็นเจ้าของอย่าเงี้ยนะธรรมชาตินี้ก็ไม่มีแต่เป็นอิสร ะ, ะในตัวของก็เองเพื่อความคุกข์เพื่อทุ่มมาทุ่มมาถึ ง, ถ, งถึงขั้นอย่าง ก็นอนหลังไปพิจารณาความเพียรเป็นเครื่องหนุนค่าไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่รู้อย่างนี้ทำอย่างอย่างนั้นไม่รู้อย่างนี้เพราะความเพียรองเรามันหนักแล้วก <c oughs> นทุกข์มากที่สุดการค่าเกียร์ไม่มีงานใหญ่คิดจะหักมากยี่กว่าการค่าเกียร์นนะค่าแบบจะเอาเป็นเอาใจเอามากผลุนผ่านจริงทุกข์มากสำหรั บ, บพวกเราผู้เงยยะ อถูกพอาช้ได้ส่วนสักที่ปัญญาผู้ที่รู้ได้เดียวไม่ว่าข้างถางไปเลยไปเลยเอยพวกเราคือมันมีต้นสุงน้อยคือต้องหาแค่เป็นงับกายท่านก็มีต้นสูงมามากๆก็ผางจะไปเลยมี <c oughs> พวกอุคติจันยู่วิบากิจัยนยูเนยะ า, าปะทะปะละมา <c oughs> อุคติกันยู่รู้รวด้เดียม วิบากิจะอยู่แล้วแต่งงานนิดหน่อยเดินตามอย่งกันไปส่วนเงนยยา น, นี่จ้องมีโฉมือสายมือฟักมีอย่างกันเต็มที่อืแล้วก็ขึ้นได้ลงได้นะเพราะเราเผลอมันก็รากเรลงถ้าเราเข้มแข็งเรารากขึ้นได้ไปได้เราเงยยานเป็นผู้พอชักจูงไปได้แปเอาแรงนะแนะนำสอนสอนชักจูงไปได้ขึ้นก็ได้ลงก็ได้เข้าใจไหม ถ้าใครมีความขยันหมั you? You hey, ่นเพียรก็ขึ้นเรื่อยๆผู้ใดไม่มีความขยันหมั่นเพียรงานรับข้อข้องไม่จะจมเลยกุศราทำมาในหมอนกันเลยเข้าใจไมคับพวกนี้พวกกุศลาไงหมอน่าเงี้ยแล้มีพระกอยู่ไงป่างเขากรงกระเพาะเวรสมัยพ่อแม่อาจารยังมีชีวิตอยู่ใหม่แลพากันเ็กจริงๆเนี่ย คำาภาคความเสียนเด็กมากคือเย่ะก็มีต้องต้มโพรมใส่วิแม่เด็เครื่องยืงอยู่อยู่ภายในใจยึงอู่ต่อมาก็ค่อยจ้างค่อยกลางไปอันนี้ก็เชื่อยอวิญญาภาวนาให้พระฟังมากกว่าประชาชนเพราะงานๆพระก็ยังฟังเรื่อยง ประชาชนมึนฟังทุกวันจนขี้เกียจพวนเนี้ไงถ้าอยากฟังอะไก็ไม่ได้ฟังเพราะเราไม่มีโอกาสเวลาเวลาที่จะเช็ดให้ฟังงานงานนี้จะกังปีอย่างเงี้ยขวกเขา้าภาษาเรามาเช็ให้ฟังวันอย่างวันนี้นะนอกจากนั้นไม่ค่อยมีเวลาเช็ดนะจะ ก, ก่อนเช็แต่ก้างบ้างลากทิ้งอย่างบ้างจิบบ้างบ้างเช็จะออกมาพออายุเก้าเขาแปดเกบอย ย่งนั้นก็เลยก็เป็นช่วยบ้านชุมวังกมาพริกม่ก็ไปทางโรกไปหมด้ไม่จะมีแว่มาสอนพ้าเงยวันนี้ใหญ่สอนบ้างวันนี้ก็ไม่มากแล้ว63นาทีก็น้ำว่ามากในวัยเนี่ ย, ย Trump, วัแก่ชื่ออังเราก็หมอ กใารพักพอดีพอดีไม่ให้มากเกอเพระาะฉันจ่พักจะที่มากกว่ากํำเนีิดซื้อพระเก่าก็อยู่เนี้ยมาอยู่มางานอย่างนีง้ไม่ได้นีน้ยเมื่อมันเต็มแล้วต้องออกออกพระเก่าใช่ก็ต้องออกมามาแขยงเขาเนี่ยไปเชี่ยวอยู่จ้จะเจ้าของก็เชี่ยวอยู่ผู้มาก็มาก็สอ ย, อยั้งช้ำด้วยกันนี่ผู้มาใหม่ก็แสวงช้ำผู้กก อ, ยอยู่เก่าก็แสวงช้ำแี่ เมื่อมันเต็มแล้วก็ต้องเต็มไม่ว่าพระเก่ามาเก่าเคยอยู่แล้วมันเคยอยู่นี่พระยัง เ, เป็นแสงอยู่ก็ยอยู่กับเราแล้วม่อยากพูดว่าหมื่นนะว่าเป็นแสงงานจะงานจะเท่าไหร่ต้องเงินพ่อสอนสองพันสี่ร้อเก้าสิบสามแล้วพระปัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังปัดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไหลเข้มาจนเต็มไปแล้วมันถึงแล้วไปอย่างดี้แล้ว เราก็ไม่เคยคิดนะว่าจะมีเพื่อนมีฝูงมากตลอดถึงในช่วยประชาชนทั่วประเทศไทยว่างั้นเถอะเพราะบิเียูนี่ออกทั่วเราก็เทศทั่วประเทศไทยเนี่ย mm. แล้วก็ไม่เคยคิดเวลาออกก็ออกคนเดียวจริงออก <c oughs> ก, ก็ออกตามนิสัยนี่แหละม <c oughs> าออก ออกออกจริงๆไม่มีไม่ใหใครติดตามเลยเราไปองค์เดียวองค์เดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ส่งเสริมด้วยนะสําหรับเราองค์เดียวนะนก็นั่นท่านดุนะไปองค์เดียวไปทําไมเนี่ยบางทียังไปสององค์ยังท่านยังว่าไปไปไหาอะไรเนี่ยแต่สําหรับเรานี่โอหนูนเลยเจ้าท่านก็คงเห็นความตั้งใจของเรานั่นแหละทุกอย่างเราตั้งใจตลอดเวลาแม้อยู่ในวง ผ้าเนนมากๆอย่างบัดป่าน้องผืออย่างนี้นะผ้านเนนมากขนาดไหนพูดจะว่าย่อตัวหรือไม่ยอ่อเอาคําจริงมาพูดในวัดนั้นเราถือธูดององเดียวแต่เราไม่เคยพูดก็ไมครฟังพ่อแม่อาจารย์ท่านทราบแน่อย่างนั้นนะท่านถึงเนี่อยู่ๆท่านปูปับเอาเข้าในบาขขอในบาทท่านมาใส่บาทเราเออสถามาใส่สถามาใส่มาปุ๊บปับเปิดบาทอะไรขอใส่บาทขอใส่บาทใส่บาทเราท่าน นานๆท่านทําทีหนึ่งถ้าไม่ทําบ่อยนะเอแต่ถ้าทำเมื่อไรเราต้องในฉันให้ท่านนล้จะว่าไงท่านเป็นจอมปราดเรามันจอมโง่ว่างั้นเถอะนี่เราทำก็เราคนเดียวอยู่ในวัดเต็มวัดอยู่นั่น น, น่ะอเนนสมบัตทานทูดงไปเอ้าว่าไปว่าไปในสองสัปดาหล้มเหลวล้มเหลวล้มไปหมดทั้งวัดนั่นนี้พูดจริงๆไม่ล้มลงปากลงตรงไหนขาดก็บั้นไปเลยเจ้า ไม่ได้รออะไรทำอะไรทำผู้เดียวคนเดียวของเราเนาะนี่เท่ า, าไร้ฉะนั้นพอฉนันก็ไม่อิม่มอยู่กับพ่อแม่กุจัจมันมันพระหลายพหลายองค์พรเท่า น, นนะแต่ไม่อิม่มเป็นประจำฉนันจะประมาณสักหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นตนะมั้งหรือหกสิบหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในย่านนี้เท่านั้นนะไม่อิ่มนะไม่อิ่มตลอด แต่ฉันอยู่ตลอดนะอยู่กับท่านพอคนเดียวไปแล้วที่นี่แล้วแจะกินจะเป็นจะตายโอดที่กี่วันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อยู่คนเดียวเรานั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนก็ได้ฉันเพราะได้ทํางานมันหนักนะเราอยู่กับหมู่เพื่อนในวันน้องผือโถหนักมากคอยดูสอดสองพระเนนให้เป็นความสงบเงียบไม่ให้ละเกลากล่าวหูตาท่านเพราะเราไปเองถ้าไม่นีบมุนเอามา มาเราไปลรเกิจกาศทันหาอะไรนี่ที่เราก็ต้องได้คอยสอดสองดูแลพระนี่นี่ละที่ได้ฉันทำงา น, นอยู่ตลอดแต่ฉันไม่อิ่มใกล้พอดีกับงานของเรานะนอกจะออกไปแล้วอยากฉันก็ได้ไม่อยากก็ได้อนั้นเป็นเรื่องของเราเองเราทําอย่างนั้นอยู่กับ น, น้องผึ้งนี่ไม่เหมือนบวยกลางวัดนะเราเราจะตายจริงๆนะดูแลสอดสองดูพระดูเนี่ยเพื่อความสงบ ท่านท่านรู้อย่างลึกๆนะเพราะแม่กุญจันทร์มั่นเราเวลาเราจะไปไหนแล้วต้องกราบเรียนถามโอกาสของท่านแต่ก่อนว่างยังไงไม่ว่างไงบ้างพอท่านมาไม่มีอะไรแล้วมางท่านก็อยากจะกราบนันะการลาไปเที่ยวภาวนาสักพักหนึ่งแล้วก็บอกสักพักหนึ่งไม่ได้ยื้อยาวขนนั้นบอกว่าสักพักหนึ่งท่านดูการกุกจัร์ของท่านท่านไม่อยากให้ไปนะก็เพราเห็นพระเนรนี้ เวลาเราอยู่เป็นยังไงไงเวลาเราไปแล้วเป็นยังไงนี่พาะเนรจะแลกเกจการให้เราเห็นจนได้นะ่ะแต่ท่านไม่พูดว่าไงนะพอเราปูดอย่างนั้นแล้วท่านนิ่งนะนิ่งแล้วก็รู้ว่าท่านนะไม่อยากให้ไปแต่เห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราอีกออันที่บางทีเรื่องผ่านไปสามวันสี่วันเหมือนว่าแล้วไปเลยถ้าท่านไม่ซ้ํำอีกเราก็พูดไม่ได้นะเรื่ออย่างกบาบกาบลาไปเที่ยววิเวกอย่างนี้ ท่านนิ่งอ่ะท่านท่านไม่ตอบเราก็ไม่ต่อคําอีกนะเฉยเลยถ้าท่านไม่รุญาท่านไม่พูดว่าไงเราก็ไปไม่ได้นะเราเคารพท่านกระดานนั้นนี่ท่านอยามีวันไหนท่านจะมีโอกาสดีท่านเหมาะสมแล้วเออนี่อยากไปเที่ยวก็ท่านมาให้อยากท่านมหาอยากไปเที่ยวเออไปได้นั่นท่านว่าแสดงว่าท่านเปิดแล้วนั่นไปได้แล้วที่นี่ อ่คิดว่าจะไปทางไหน่น่ะท่านถามจะไปทางนั้นทางนั้นแล้วไปกี่องค์ไปองค์เดียวโวยผางขึ้นเลยนะถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนั่นที่เหย่นตามพานให้ท่านไปทำความเพียรอยู่องค์เดียวจะไปยุ่งท่านนะนั่นเราก็ไม่เคยสนใจใครกับใครเพราะมีร่มโพล่มใสใหญ่อยู่นั้นแล้วเราไม่คิดว่าใครจะมาจดจ้องมองดูเราอยู่นะ เราทราบได้ตอนพ่อแม่หอวจารย์มรณภาพนี้เกอะเพิบเลยนะโถพี่ดกไปดันเราก็แทบเป็นแทบตายขโมยหนีจากหมูจากเพื่อนไปอยู่คนเดียวขโมยกลางคืนกลางกลางวันขโมยทั้งนั้นแหะไปองเดียวหนีหนีจากหมูจากเพื่อนเพราะความเพียรเราไม่สะดวกยิ่งการประกอบความเพียร ถ, ถึงขั้นอัตโนมัติของความเพียรแล้วนี้อยู่กับใครไม่ได้เลยนะต้องอยู่องค์เดียวทั้งวันทั้งคืนใครเขามายุ่งไม่ได้เลย เรียว่าองเดียวตลอดเวลาเลยนี่ความเพียรอัตโนมัติเป็นความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติแล้วนั่นก้าวเรืเ่อยเรยเรยหมุนติวต้วติ้วติ้วเลยอย่างนี้นั้นใครติดไม่ได้ใครอยู่ไม่ได้ไปไปด้วยไม่ได้เลยต้องไปคนเดียวตลอดเวลาคือความเพียรไม่นีไม่นี ม, นมีเฮิร์่างกันเลยติดพันกันตลอดถึงขั้นธรรมะที่ก้าแล้วเป็นอย่างนั้นหมุนตลอด ถอยไม่ได้เลยถอยไม่ได้เลยนี่พอเป็นอย่างนั้นแล้วเรือพ่วงอะไรมันจะมาให้เรา ย, ยุ่งปาด ท, ทีเดียวขาดจะบั้นไปหมดไปแต่องค์เดียวองค์เดียวตลอดประกอบความเพียรเราไปองค์เดียวของเราทั้งนั้นแหละไม่มีใครติดตามไปด้วยไม่ให้ไปเราไปคนเดียวมันถ้าเป็นสองคนก็เป็นน้าไหลบ่าทางนั้นทางนี้สองสามองไปแล้วโอ้ยแล้วท่านั้นไม่ได้เรียกไม่ไปแต่สององค์กันยังไม่ให้ไปวะไปองค์เดียวมันเป็นองค์เดียว ไปตลอดเดินจากนี่ไปถึงนู่นเป็นกามเพียนตลอดเดินจกกงกรมไปเลยคนเดียวอืไม่มีน้ําไหลบาสั้นไปสองคนก็เย็บดูนี่เราเย็บดูนี่มันเป็นน้ําไหลบาส่ะไปคนเดียวมันพุ่งพุ่งเลยอยากกินก็กินกี่วันก็ช่างไม่กินก็ไม่กินเวลาจะเป็นจะตายมันอยู่กับตัวเองจะตายจริงก็มีส บ, บ, บายมาฉันใช่บ้างเนี่เ <c oughs> พราะเด็กกาเพียนนั่นเองอืไม่ใช่อะไรนะ คือท่าขันของเรานี่มันบำรุงง่ายกําลังของท่าขันมันมันไม่ยากนะเช่นเวลาบินไปบินตะบาดถึงวันเวลาไปบินตะบาดแล้วประกาว่าจะไปถึงบ้านเขาแล้วแล้วกาแล้วนะเราอดอาหารมา ก, กี่วันนี่ถ้าเลยจากนั้นแะล้วมันจะไปไม่ได้กาอาบินตะบัดไปค ง, งจะถึงหมู่บ้านถึงขนาดนั้นไปถึงกลางทางไปไม่ได้แล้วอยู่นั่งพักซะก่อนแล้วค่อยไป นี่พูดถึงเรื่องกำลังร่างกายนะเวลามันอดหานมากมันอ่อนเปียกก้าวขาไม่ออกพอฉันยังงานเสร็จแล้วนี่โอยม้าแข่งสู้ไม่ได้กำลังวังชาทางร่างกายดีดผึงนั่นทิไปเลยฉันเสร็จแล้วนี่เหมือนม้าแข่งนั่นเห็นไหมคนกําลังหนุ่มแต่จิตใจนี่มันไม่ขึ้นหรอซิจิตใจนี้บำรุงยากนะขึ้นยากจึงต้องบำรุงทางใจหนักทางการทางใจมากดีกว่าร่างกายร่างกายนี้เมื่อไรก็ได้ มันหิวโหยมันจะตายขอฉั้นอีกแล้วดีถึงไปได้เลยนั่นส่วนล่างจิตใจไม่ดีดนะลําบากนะต้องได้พยุงทางย่างจิตใจมากกว่าทางร่างกายจึงต้องได้สชิญานกันทางร่างกายมากอยู่เสมอมาอการประกอบความเพียรทาอย่างนั้นนะ่ะทำรอๆแหล่ๆไม่ได้นะเอาจริงเอาจรงมากในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ให้อะไรมายุ่งนะอืซัดกันทั้งวันทั้งคืนประกอบความเพียรก็ไม่มีงานไหนมีคนเดียวอ เพราะจึงไม่ใหใครไปยุ่งมันขาดงานไปองค์เดียวองคเดียวก็ไเดชชานะเราตั้งแต่ออกปฏิบัติไปองเดียวทั้งนั้นเลยไม่ให้ใครไปยุ่งนะเพราะแม่ของอาจารย์ก็เสริมให้ไปองเดียวอืแล้วก็ฟัดเต็มเหนี่ยวเรามาาท่านทีไรเหมือนหนังมีแต่หนังหอกกระดูกท่านก็รูม้มาาท่านทีไรมีแต่หนังหอกกระดูกเนื้อไม่มีมันหมดคนวัย ก็ประมาณสักสามสิบสามปีละสประมาณสามสิบสามสิบกว่านี่กําลังบางชาดีนะถึงขนาดนั้นก็เป็นหนังห อ, อกก็ดูกลงมาหาท่านนะท่านก็รู้นี่ว่าเอากิงขนาดไหนท่านก็รู้เพราะงั้นท่านจึงไม่ใครไปยุ่งเราเราไปคนเดียวคนเดียวพออยู่ในวัดท่านก็รู้อยู่แล้วเดี่ยวไปยังไงนิสัยไปยังไงเนี่ยการปฏิบตัติเราก็ไม่เคยคิดกุย อ, อ่านนะว่า อาจจะมีลูกศิษลูกหาเพื่อนฝูงประชาชนญาติโยมมากถึงขนาดนี้แล้วไม่เคยชี้นะแต่มันก็เป็นไปเองจะว่าไงเช่นอย่างว่าพระเด่นนี่เราจะไปไหนล่าเพราะแม่อาจารีท่านชี้นี่เลยใครจะไปยุ่งท่านนะให้ท่านไปองเดียวแล้วก็เงียบเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าจะไปเชี่ยวข้องกับเรานะไม่สนใจกับใครเลยแต่เวลาท่านมรณภาพนี่กาะเพิบดีนั่นอย่างนั้นลนะ่ะอย่ากนั้นมาก็เรื่อยมาสุดท้ายก็เกาะคริบนี่เต็มไปหมดนี่เห็นไหมลนะ่ะ เพิ่มดูไปเพิบมนี่ทีจะว่าไงอีกก็มันก็เป็นอย่างนั้นเวลาอยู่คนเดียวจริงมันพากีลิ้วหอบมูดหอคูดอยู่ในป่าเนี่เขาคนเดียวภ า, าคกีลิ้วพากลักนี่แหละหอมูดหอคูดขี้โรกขี้โกรธขี้หลงอยู่ในหัวเลยใจของเราหออันนี้แหละไปอืมแต่เป็นจะตายก็บืรึอยู่คนเดียวกันในเวลามันเป็นมา ก, ก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีบรรดา ประชาชนป้าเหนืเพื่อนฝูงมากมายถึงขนาดนี้ออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่ได้มันก็เป็นข้างวันมา อ, อย่างนี้เนี่ยอาช่วยชาติเอาดูสินะ่ะเรื่องช่วยชาติพูดข้างันชัดเจนซะเรื่องช่วยชาติเราก็บริสุทธิ์เต็มเหนียวของเราตลอดมาเราไม่เคยมีอะไรด่างพร้อยนะบรรดาทรัพย์สินเงินทองที่พี่น้องหลายบริจาคมานี่บาทเดียวเราไม่เคยแต่ฟังสินะ่ะอืม ที่จ่าย เ, เป็นเป็นด้วยความมองของเราว่าหยิบว่าไม่มีเลยจ่ายมากจ่ายน้อยเราพีนานโดยเหตุด้วยหัวแล้วเอาจ่ายจ่ายจ่ายเราควบคุมหมดสําหรับทองคํานี่ร้อยทั้งร้อยเข้าหมดตอนล่าเข้าเพียงสิบล้านสองแสนกว่าจากนั้นก็เอาดอลลาร์มูลก็มาสู่ช่วยเงินไทยเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นหมื่นล้านขึ้นไปแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วออกช่วยหมดทั่วประเทศเลยไม่ว่าภาคไหนภาคไหนแล้วช่วยหมดอย่างนี้ สำหรับเราเราไม่เอาเราพูดกิ่งเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเนี่ยเราก็พอแล้วด้วยเราไม่เอาอะไรได้ทานที่เขาให้ทานจะไหนโล่หมดโล่หมดต้อไม่เคยเอามาเลยไม่เอาให้ทานทั้งนั้นทั้งนั้ น, น, นสละตลอดเวลาเลยเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําอย่างนี้ต่อโลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้น่ะมันก็เป็นมาอย่างนี้เนี่ยครับสมบัติเงินทองเขาของ จ, จาา้าตัวปัจจัยทายาทานมาเท่าไหร่ออกหมดออกหมด อย่างวัดป่ามันตา่าไม่เคยเก็บออกทั้งนั้นั้งนั้นตลอดมาเลยนะอยู่ก็แกแล้วนี่ว่าไงสังขารร่างกายก็อยู่ไปอย่างนั้นแนละวก่อนปีก็เคยบอกแล้วมันหมดปัญหาทุกอย่างแล้วเรื่องจิตก็มีก็มีอยู่แต่เรื่องธาตุ่ังขัน เท่านั้นเนี่ยกาปฏิบัติไปแบบโลกสมมูิเขาไปตามกิเดาของธ า, ศาตุาของขันอันเป็นสมมูตเท่านั้นส่วนใจไม่มีปัญหาโดยระการทั้งปวงแล้วหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรจะเข้าไปถึงเลยว่างั้นเลยเป็นสาฐานะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกแล้วก็ชัดอยู่แล้วในหัวใจอยู่กับโลกกับปฏิบัติตามโลกไปพอเป็นพะไปยังไงกับปฏิบัติกันไปอย่างนี้แล้วหนว่างาไง เราก็ทุกกระทู้อย่างเนี้ยทุกวันทุกวันทุกทุกวันนั่นแหละมันใช่เรื่องเด็กน้อยนะทุกมากอยู่เรายิ่งแก่เท่าไหร่ยิ่งทุกมากทุกวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วพระก็ตั้ ง, งจิตั้งใจน้าประชาชนญาติโยมให้หมุนตัวเข้าสู่ธรรมนะลูกหมุนพระกิเลสมันจะพาให้ชาติศาสนาพระมหากษัจมนะถ้าหมุนตัวเข้าสู่ธรรมจะมีหลักมีเรยงยึดเกาะทางศาสนาก็เหมกัน ถ้าห น, นีจากหลักธรรมใดแล้วตายเลยจมเลยป่ะมันจะตั้งชื่อตั้งนามขึ้นสูงขนาดไหนก็ตามเป็นสมุปวิการพระครูพระคัรเจ้าฟ้ า, จาเจ้าขุนสมเด็จสมเด็จฟาด ฟ, ฟ้าก็ตามตื่อหวัวใจมีตั้งแต่ความชั่วชาว้าละโมกจมได้สั่นั้นตกนรกได้สั่นั้นไอชื่อที่ว่าตั้งไม่มีปัญหาอะไรนะตั้งเอาเฉยๆก็ได้อย่างหลวงตาบัวนี่ตั้งฟากเจ้าโดดเ้าเตียมก็ได้ไอนีตั้งตัวเองหลวงตาบวดดัวในเวลาดี ได้ยศถึงขั้นเลยจะด่วนเตรียมไปแล้วนะแล้วขั้นไหนล่ะเลยแล้วบอกมันพออย่างนั้นอย่างไรมอนตั้งห้อมันก็ตั้งได้แต่จะทำตัวให้ดีแน่หนามันคงภายในใจนี่ยากนะเพราะฉะนั้นจึงตั้งจิตให้ดีขอให้ดีมีคุณธรรมภายในใจสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประดับเฉยๆถ้าโง่กับต่อมันมันก็เป็นไฟเผาตัวเองอไอ้ชื่อเสียงอะไรยศถาบรรดาศักดิ์ ว่ากันไปอย่างนั้นนะตั้งนั้นตั้งนี้แล้วเวลานี่เป็นบ้าตั้งชื่อกันด้วยนะเ <c oughs> มืองไทยเราตั้งชื่อทีทอเอพอเด็กเกิดขึ้นมาตั้งชื่อว่าไงวิ่งไปหาพระองค์นั้นองค์นี้ไห้ท่านตั้งชื่อให้ไอ้ท่านตั้งชื่อคนนั้นคนนี้ให้พอะไรเป็นจะเป็นบ้าหรือจะตายอว <c oughs> ิ่งมาลวงตาบัวนี่ก็นําไม่ได้นะหลวลงตาบัวไม่ตั้งเราบอกเราไม่ตั้ง ถ้าลองตั้งว่าที่มันจะยุ่งใหญ่เลยนะพวกนี้โบกบ้าตั้งชื่อชื่อไหนตั้งสูงๆด้วยนะถ้าตั้งมาตั้งชื่อนี่ชื่อว่าไงให้คอยฟังฟากจดดาวเสียมนะชื่อเขาชื่อชื่อเขาอย่างน้อยเดียวกับฝากจะลวดดาวเถียมว่างั้นแต่คนอยู่ใต้กรรไรกมันไม่น่าอะไรหยอาไรตั้งตัวเองให้ดีสิชื่อเสียงมันมีอะไรใครตั้งก็ได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งตัวให้เป็นคนดีนี่ดีอยู่ตรงนี้นะหืมสวรรค์นี้ผ่านได้ทั้งนั้นนะ จ้างตัวให้ดี้งไม่ดีไว้เป็นท่าหรอกพอตรควรมั้งนมเอาละเอาเิกันนะพอตรควรแล้วสองทุ่มสิบห้านาทีเออเอกลับซะพอโอ้เหนื่อยนี่เหนื่อยี่ยเหนือยเนี่ยเหนือยีกลับบกลับวัดนะาทิ่มาจากวัดต่างๆกลับนะเออเอาเลิกกันไปได้แล้วทีนี้ เอาผ้านี่ยไว้ไว้ที่หน้าเอาไว้หน้ากูติดนั่นเราแล้วประตูก็เปิดได้อยู่อยโอ้รวยรวย